ปฏิปัสสมเมตพระเตจตาริสกะว่าด้วยองค์43ของภิกษุที่สงพึงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หคือ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 แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่สองภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ต้องอาบัติที่เป็นเหตุให้ถูกสงลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปอีก2 ไม่ต้องอาบัติอื่นทำนองเดียวกัน 3. ามไม่ต้องอาบัติที่เลวทามกว่านั้นสี่ไม่ตำหนิกรรมห้าไม่ตำหนิภิกษุผู้ทำกรรมภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแกภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หาเหล่านี้แหลหมวดที่สาม ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบได่องค์5อีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ยินดีการกราบไหวของปกจจตตาภิกษุ 2. ไม่ยินดีการลุกรับของปกจจตตาภิกษุ 3. ไม่ยินดีการประนมมือของปกจจตตาภิกษุ 4. ไม่ยินดีสามีจิกรรมของปกตตะภิษุ 5. ไม่ยินดีการนำอาสนะมาให้ของปกตะทตะพิษุภิษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเคปนียกรรมเพราะไม่สลักทิฏฐิบาปแก่พิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่4ภิพิุทั้งหลาย สงพึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ยินดีการนำที่นอนมาให้ของปกระทตะภิกษุ 2. ไม่ยินดีน้ำล้างเท้าการตั้งต่างรองเท้าให้ของปกตะทตะภิกษุ 3. ไม่ยินดีการตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าให้ของปกตะทตะภิกษุ 4. ไม่ยินดีการรับบาตรและจีวรของปกตตะภิกสุ 5. ไม่ยินดีการที่ปกตตะภิกสุถูหลังให้ในคราวอาบน้ำภิกสุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกสุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แหลหมวดที่5ภิกษสุทั้งหลาย สงพึงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยศีลวิบัติ 2. ไม่ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยอาจาระวิบัติ 3. ไม่ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยทิฏฐิวิบัติ 4. ไม่ใส่ความปกตตะภิกษุด้วยอาชีววิบัติ 5. ไม่ยุยงปกตตะภิกษุให้แตกกันภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่6กิกษุทั้งหลายสง พึงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องห้าอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างคฤหัตสอไม่ใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างเดียระถี 3. ไม่คบพวกเดียระถี 4. คบพวกภิกษุ 5. ศึกษาสิกขาบทของภิกษุ ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์ห้าเหล่านี้แลหมวดที่7ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบได้องค์หอีกอย่างหนึ่งคือ 1. ไม่อยู่ในอาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตัตะภิกษุ 2. ไม่อยู่ในสถานที่มิใช่ออาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตัตะภิษุ 3. ไม่อยู่ในอาวาสหรือสถานที่มิใช่ออาวาสที่มีเครื่องมุงบางเดียวกันกับปกตัตะภิษุ 4. เห็นปกตัตะภิษุแล้วลุกจากอาสนะ หไม่รุกรานปกตตะภิกษุทั้งข้างในหรือข้างนอกวิหารภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปณิยกรรมเพราะไม่สลัทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หเหล่านี้แลหมวดที่8ภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุคเขปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป แก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8คือ 1. ไม่งดอุโบสถแก่ปกตตะภิกษุ 2. ไม่งดปวาราณาแก่ปกตตะภิกษุ 3. ไม่ทำการไต่สวน 4. ไม่เริ่มอนุวาทาธิกร 5. ไม่ขอโอกาสภิกษุอื่น 6. ไม่โจทย์ภิกษุอื่น 7. ไม่ให้ภิกษุอื่นให้การ 8. ไม่ชักชวนกันก่นกอความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงพึงระงับอุเขปณียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์8เหล่านี้แลปฏิปสัมเพตัพระเตจตารีสกะในอุเขปณียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปจบ